พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันก็เพื่อที่จะมาฝึกฝนกายฝึกฝนใจให้สงบ กายก็นั่งตรงไม่ก้มเกินไปแล้วก็ไม่เญยเกินไปทางจิตใจก็มีสติควบคุมไม่ให้พุ่งสร้างไปทางอื่นให้มีความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันตนนั่งอยู่อย่างไร ก็รู้รอบตัวอยู่อย่างนั้นไม่ส่งใจไปทางอื่น <c oughs> กำหนดรู้อยู่ที่รู้ความรู้ว่านั่นแหละท่านหมายเอาจิตหรือว่าใจความคิดมันก็ออกมาจากความรู้นั่นแหละ มันนี่ความรู้อันนี้มันยังไม่ฉลาดเนื่องจากว่าการกระทำคุณงามความดีหรือการฝึกตนมาในสงสารนี่มันยังน้อยไปเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้มันจึงไม่ฉลาด ไม่สามารถที่จะถอนตนออกจากกิเลสตัณหาได้ดังนั้นการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาคือได้มาพบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางแห่งความเสื่อมและทางแห่งความเจริญตลอดถึงทางพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานพระองค์เจ้าได้ทรงแสดงธรรม ท, ที่พระองค์ทรงรู้แจ้งแล้วนั้นให้ พุทธบริษัททางหลายฟังได้จดจำเอาไปน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามผู้มีบุญวาสนาบรารมีแก่กล้าก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปโดยสิ้นเชิงก็มีโดยเอกเทศก็มีโดยเอกเทศ เช่นเป็นพระโสดาบันพระจักกิทาคามีพระอนาคามีนี่ท่านเรียวกว่าหลุดพ้นจากกิเลสโดยเอกเทศคือยังไม่สมบูรณ์ส่วน <c oughs> โดยสมบูรณ์ได้แก่พระอระหันต์พระอระหันต์นั่น ท่านละสังโยชนิประการหมดสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาอันยอดเยี่ยมนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมา ก็จึงเอาตัวรอดจากทุกข์ได้ในขั้นต้นนี้ก็ทรงสอนให้สำเหนียกในเรื่องศีลให้พิจารณาความประพฤติของตนว่าตนนั้นสำรวมกายสำรวมวาจาอยู่หรือไม่สำรวมกายวาจา ไม่ให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเมื่อหากว่ารู้ว่าตน้มันยังมีนิสัยไม่ดีบางสิ่งบางอย่างชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่บ้างเช่นนี้ก็ให้สำรวมระวังอไม่ล่วงเกินพุทธบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้ที่ท่านเรียกว่า สินห้าสินห้านี้นับว่าเป็นข้อปฏิบัติสำหรับป้องกันบาปทมไม่ให้บังเกิดขึ้นในกายวาจาใจของคนเราโดยตรงเลยทีเดียวถ้าใครสํารวมในสินห้านี้ได้ผู้นั้นก็เชื่อว่าเป็นการสํารวมในบาป ไม่ได้สร้างบาปให้เกิดขึ้นในใจของตน <c oughs> ธ, ธรรมดาว่าผู้ที่มีบาปอยู่ในใจแล้วจะมาภาวนาสมาธิทำใจให้สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปนี่มันยากที่มันจะทำได้เพราะว่าบาปนั้นมันรบกวน จิตนี่อยู่เสมอพอน้อมจิตลงสู่ความสงบไอ้บาปนั่นมันก็มาขัดขวางไว้ทำให้จิตฟุ้งซ่านไปหรือบางอย่างบาปบางอย่างมันก็ทำให้เกิดความวุวงเหวยงาหาหนอนเกิดความเกลียดคล้านขึ้นมาในการทำความเพีย มีแต่อยากนอนท่าเดียวบางทีมันก็ให้คิดถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วเห็นอิทถารมอารมณ์ที่น่ายินดีบ้งางอนิถารมณ์อารมณ์ที่น่ายินร้ายบ้างเมื่อมันนึกคิดถึงอารมณ์ ต่างๆเหล่านี้มาแล้วจิตใจก็ไม่ตั้งอยู่กับปัจจุบันได้ออมีตั้งแต่คิดปรุงแต่งส่งออกไปตามสัญญาอารมณ์นั่นๆนั่นแหละเมื่อมันมีบาปอยู่ในใจแล้วยากที่ใจมันจะสงบลงได้เมื่อผู้ใดมาสารวมในศีล ไม่ทำบาปเช่นนี้แล้วก็ผู้นั้นก็เป็นผู้มีใจผ่องแพ้่เบิกบานเพราะไม่มีบาปมาทำใจให้เศร้ามองขุนมัวธรรมดาคนที่มีใจเบิกบานผ่องใสนี่ก็ไม่ค่อยมีความทุกข์ร้อนเป็นคนใจเย็น มีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาก็ไม่ค่อยสูญเชียวง่ายไม่ค่อยโกรธง่ายใจอย่างนี้แหละจึงเป็นใจที่เหมาะแก่การทาให้สงบระงับเป็นสมาธิลงไปดังนั้นให้สำรวจโกรธกาดูถ้ารู้ว่าตนนั้นสำรวมกายวาจา ด้วยดีมาไม่ได้ร่วงพุทธวัญญะท่าคอนั้นเช่นนี้ก็การทำสมาธิภาวนาก็ง่ายแบนี้ก็สะดวกขึ้นใจก็รวมลงง่าย <c oughs> ถ้าผู้ที่ชอบคิดมากอย่างนี้นะก็ไม่ต้องบริกรรมอะไรอะ่ะ ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นแหละเป็นอารมณ์เพื่อหยุดยั้งความคิดที่มันเคยคิดพุ่งไปในอารมณ์ต่างๆนั้นให้สงบลงถ้าผู้ที่นั่งภาวนาไปแล้วชอบแตงวงเงาหานอนเช่นนี้ อ, อ่ ท่านก็สอนให้บริกรรมพุโทโธให้นึกพุโทโธนั่นแหละเป็นเครื่องปลุกใจให้ตื่นปลุกกายนี้ให้ตื่นให้เบิกบานขึ้นพุโทโธ แ, แปลว่าผู้ตื่นแล้วหรือผู้บานแล้วเต็มที่ก็หมายเอาพระคุณนามของพระพุทธเจ้านั่นเองแหละ พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้บำเพ็ญพุทธกิจมาได้สําเร็จดังความมุ่งวาดปาฏิาริย์หรือว่าพระองค์ได้สร้างบา ร, รมีมาก่อปาฏิาริย์ให้ได้ตัดสรู้เป็นพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตัดสรู้สมพระประสงค์อันนี้เป็น พระประสงค์ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองได้ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ตัดสรู้แจ้งแล้วนั้นให้ผู้อื่นฟังและผู้ฟังได้บรรลุมรผลธรรมวิเศษตามพระองค์นี่เป็นความสำเร็จตามที่พระประสงค์ขั้นที่สอง เมื่อพระองค์เจ้าแสดงธรรมมีผู้รู้ธรรมเห็นธรรมตามก็เป็นอันว่าได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะจุดมุ่งหมายการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดกพก็เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ฟังได้รู้ยิง่งรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น ได้แก่อริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นแหละเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมดังนั้นก็จึงได้เกิดเป็นพระคุณนามขึ้นว่าพุโทโธหรือว่าสัมมาสัมพุโทโธแปลว่าพระผู้ตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอน <c oughs> การที่ผู้ที่จะมาบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ก็ต้องรู้ความหมายของคำว่าพุทโธดังชี้แจงให้ฟังมานี้แล้วก็จะมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งในองค์พุทโธคุณ เมื่อมีความเลื่อมใสเชื่อมัน่นเช่นนั้นะการนึกพุทโธก็ยมนึกได้ติดต่อกันไปเรื่อยๆจิตใจก็ไม่เฉไปทางอื่นแล้วเมื่อใจมันตั้งมั่นเบิกบานขึ้นมาร่างกายก็กระปีก้กระเป่าไม่อ่อนแอ ความง่วงเหงาต่งางๆก็ระงับไปเช่นนี้แล้วใจมันก็จะรวมลงเป็นหนึ่งได้เมื่อใจรวมลงนั่นมันมีลักษณะผิดปกติไปหน่อยหนึ่งคือว่าใจนั่นแต่เมื่อมันยังไม่รวมไม่สงบมันก็อึดอัดขัดข้องมีความรู้สึกไม่ค่อยปกติ ส่วนร่างกายก็เหมือนกันก็มีอาการวันไว้ไปมาต่า ง, า ง, างนาๆนานาเจ็บน้นปวดนี่คันตรงน้นคันตรงนี้อะไรอยู่เงี้อันเมื่อใจมันรวมลงแล้วอาการต่างๆเหล่านั้นมันก็หายไปหมดรู้สึกตัวก็เบาขึ้นกว่าเดิม หน่อยหนึ่งอย่างนี้แหละลักษณะของใจที่มันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วการบริกรรมพุทโธมันก็หยุดลงก็เหลือแต่สติกับความรู้ตั้งอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้แหละจึงเรียกว่า ใจเป็นสมาธิบางคนข อ, อน้อมใจลงสู่ความสงบก็เกิดนิมิตขึ้นก็มีเห็นน้นเห็นนี่ไปได้ยินเสียงบ้างเห็นรูปของคนบ้างของสัตว์บ้างหรือว่าเห็นแสงบางสิ่งบางอย่างบ้าง มูนีท่านเรียกว่าอุคหานิมิตแปลว่านิมิตติดตาแต่บางคนก็ไม่เกิดเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เป็นนิมิตเมื่อเมื่อสติมันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ติดต่อกันไปไม่ไม่เผลอตัว แล้วนั่นมันก็ให้สำเร็จประโยชน์คือทำใจให้รวมลงเป็นสมาธิได้สำหรับผู้ภาวนาซึ่งมันเกิดนิมิตขึ้นอย่างนั้นก็ให้ทำความรู้เท่าไม่ควรที่จะสำคัญว่าตนเห็นทำอันวิเศษอันนั้นมันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดไป เพราะนิมิตต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ทมวิเศษมันเป็นอารมณ์ในใจที่มันค้างๆอยู่แล้วเมื่อเราน้อมใจลงสู่ความสงบอำนาจแห่งสมาธินั่นแหละมันไปขับไล่อารมณ์ออกจากกิดนั้นอารมณ์เหล่านั้นมันก็เลยแปรสภาพ เป็นนิมิตให้จิตรู้เห็นไปเพียงเท่านั้นแหละถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลนิมิตต่างๆที่ปรากฏออกมานั้นมันก็เป็นแต่นิมิตที่ดีๆเห็นเข้าแล้วก็ชื่นใจถ้าจิตใจยึดอกุศลเป็นอารมณ์ เวลาใจมันสงบลงนิมิตอันนั้นมันปรากฏออกไปมันก็เป็นนิมิตที่ไม่ดีเป็นเห็นคนก็เป็นคนดุร้ายเห็นสัตว์ก็สัตว์ดุร้ายเห็นสถานที่ก็เป็นสถานที่ไม่น่าลื่นเริงบันเทิงใจ นิมิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าอากุสนกรร ม, มนิมิตนิมิตดีนั่นท่านเรียกว่ากุสนกรร ม, มนิมิตนิมิตเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วใจของเราไม่ไปจดจ่อกับมันพิจารณาเห็นว่ามันเป็นสัญญาอารมณ์ต่างหาก ไม่ใช่เป็นธรรมของจริงเป็นของไม่จริงมีเกิดขึ้นแล้วมันก็มีดับไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ใส่ใจกับนิมิตนั้นมาทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันมาสารวมจิตใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเช่นนี้ไม่นานแล้วนิมิตนั้นมันก็ดับไป แต่ถ้าหากว่าใจมันส่งไปตามนิมิตนั้นนิมิตนั้นก็จะไม่ดับนันจะปรากฏเรื่อยไปและทำให้จิตที่หลงไปตามนิมิตนั้นจิตฟุ้งซ่านสงบลงไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นวิปรราดขึ้นมาดังนั้นผู้ภาวนา ถ้าหาว่ามันเกิดนิมิตขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันมากำหนดว่าใครเป็นผู้เห็นนิมิตนั้นก็รู้ได้ว่าจิตนี้แหละเห็นนิมิตนั่นนิมิตทั้งหลายก็ออกไปจากจิตนี้แหละไม่ใช่มาแต่ข้างนอก นิมิตนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปเมื่อเมื่อสติมันเตือนตอนอย่างนี้เตือนจิตอย่างนี้จิตรู้เท่าไม่ใส่ใจกับนิมิตนั้นไม่นานนิมิตนั้นมากดละ ง, งับไป <c oughs> เมื่อนิมิตนั้นมันระ ง, งับไปจิตใจมันก็รวมลงได้อย่างสนิทสนมบบนี้นะ นี่แสดงสำหรับผู้ภาวนาชอบเกิดนิมิตก็ต้องให้ทำความรู้เท่าอํนนิมิตให้ได้เมื่อใจมันรวมลงแล้วมันก็มีแต่ควาสติกับความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นแหละปรากฏกับลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้าออกนี่ก็ละเอียดมากลมหายใจไม่หยาบเหมือนอย่างเวลาจิตยังไม่สงบนั่นเมื่อจิตยังไม่สงบนั้นลมหายใจมันก็หยาบ <c oughs> <c oughs> เมื่อจิตสงบลงไปแล้วลมหายใจมันก็ละเอียดแต่มันไม่ใช่หยุดนะลมหายใจไม่ได้หยุด มันละเอียดเข้าไปกวัวเดิมเพราะลมหายใจมันละเอียดนั่นแหละจิตมันจึงละเอียดเข้าไปแบบนี้ความรู้สึกนั่นลนะละเอียดเข้าไป <c oughs> <c oughs> สมาธินี้หมายความว่าทำใจให้พักผ่อน ไม่ให้มันทำงานเรียกว่าพักจิตก็ว่าได้ถ้าหากว่าไม่ทำใจให้สงบอย่างนี้นี่มีแต่ใช้คิดอ่านการงานอะไรต่ออะไรไม่หยุดไมยั่งจิตนี้มันก็อ่อนเพลียลงไปมันไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถที่จะมีปัญญารู้แจ้งในบาปปุนคุณโทษต่างๆได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้สำรวมจิตเข้ามาภายในเพ่งจิตีให้สงบลงไปจากนิวรทั้งห้า พูดแล้วก็ใจสงบจากความรักใจสงบจากความชังความพยาบาทใจสงบจากความง่วงความเหงาความอ่อนแอต่างๆใจจะสงบจากความคิดฟุ้งซ่านเรื่อนรอยไปต่างๆหมูนี <c oughs> ใจสงบจากความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษตลอดถึงมรรคผลนิพพานเมื่อใจมันสงบลงแล้วมันก็พอที่จะอนุมานได้ว่าเออทางเข้าสู่นิพพานนี่มันได้แก่ความสงบใจนี้ เพราะว่าใจนี่เมื่อสงบลงไปแล้วมันก็ทำให้สบายไม่มีกังวลอะไรและมันอิ่มหมดไม่อยากได้อะไรในขณะที่ใจมันรวมอยู่เป็นหนึ่งอยู่นั่นพระนิพพานก็หมายเอาความที่จิต สิ้นไปจากความอยากความปรารถนาต่างๆนั้นเองเนี่ยทีนี้จิตของคนธรรมดาสามัญ น, นี่มันมีแต่ความอยากได้มันไม่อิ่มในความอยาก <c oughs> ดังนั้นมันจึงสงบใจยาก มันนี้เมื่อเรามาฝึกเข้าไปให้มันหายอยากหายหิวลงไปใจมันรวมลงเป็นหนึ่งลงได้มันก็พอที่จะเข้าใจได้ว่าอ๋อนี่เป็นทางเข้าสู่นิพพานแท้ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่สงสัยแล้ววันนี้นะไม่ลังเลว่าเออพระนิพพานนี่เป็นอย่างไรหนอ อย่างนี้ก็ไม่สงสัยแล้วแต่ว่าเพียงจะทำใจให้สงบลงเท่านี้จะเป็นนิพพานเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นทางหมายเขาว่าอย่างงั้นเป็นทางเข้าสู่นิพพาน <c oughs> <c oughs> ในขณะนี้เรียกว่ากำลังเดินทางอยู่ <c oughs> ผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่นี่กำลังเดินทางถ้าเหมือนอย่างว่าคนเดินทางไกลอย่างนี้ก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางการทำใจเป็นสมาธินี่เรียกว่าเราพักผ่อนในระหว่างทางพอเดินไปมากๆเข า, าก็เหนื่อยเดินทางแล้วไปพบศาลาอ่ ข้างทางก็แวะเข้าพักพอนหลับนอนบ้างเมื่อมีกำลังดีแล้วก็เดินทางต่อไปไม่ใช่จะนอนจมอยู่ในที่นั้นเรื่อยไปสมาธิก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อทำใจให้สงบลงไปพอสมควรแล้ว รู้สึกว่าใจนี่มันตั้งมั่นมันเข้มแข็งดีแล้วอย่างนี้ต่อจากนั้นก็เจริญปัญญาก็เรียกว่าหัดคิดหัดวิจารนั่นแหละคำว่าเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นปัญญาในทางธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้กำหนดเอาธาตุสี ขันห้าซึ่งรวมเรียกว่าร่างกายนี้มาเป็นอารมณ์เครื่องวิจาร์เครื่องพิจารณาทำไมพระองค์เจ้าจึงสอนให้กำหนดเอาขันห้านี้มาพิจารณานะก็เพราะว่าจิตมันหลงไหล ย, ยึดมั่นอยู่ในขันห้าเนี่ยว่าเป็นของเที่ยงเป็นของสวยของงาม ว่าเป็นสุขสบายดีก็เป็นตัวเป็นตนนี่มันสำคัญผิดไปจากความเป็นจริงมานานแล้วหลายชาติหลายภพที่ล่วงแล้วมาเกิดมาชาติได้มาสำคัญว่าธาตุสี่ขันห้านี่เป็นตัวของตัวเองอยู่อย่างนั้นดังนั้นแหละมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ เมื่อเมื่อสาคัญแล้วเป็นตัวตนแล้วมันก็ยึดถือเมื่อยึดถือแล้วกรรมที่ยึดถือนั่นแหละเมื่อร่างนี้มันแตกดับทำลายลงไปกรรมคือความยึดถือนั่นมันก็นำให้ไปเกิดอาศัยขันห้าอื่นต่อไปอีกอยู่อย่างนั้นแหละการเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็เป็นทุกข์ อย่างที่เราเกิดมาในโลกนี่แหละเกิดมาแล้วมันก็มาเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละต้องมาเลี้ยงต้องมาปนปือมันขันห่านนี้นะมันต้องได้อาศัยปัจจัยสี่จึงประทังอยู่ได้เช่นอาศัยอาหารข้าวน้ําอาศัยผ้าหนุ่งผ้าหม่มอาศัย อาคารสถานที่เป็นที่หลับที่นอนเป็นที่อาศัยกันฝนกันลมกันแดดอาศัยยุกยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายร่างกายนี้จึงตั้งอยู่ได้ถ้าหากว่าขาดปัดจจัยสี่นี้ อย่างได้อย่างหนึ่งแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้สำหรับหยุกยานะั่นนะมันก็หมายถึงอาหารการบริโภคต่างๆหมูนี้นหะก็เป็นยาสำหรับเยียวยาร่างกายอันนี้ไว้ไปวันๆไปเท่านั้นเองนะแต่เมื่อร่างกายนี้วิบัติแล้วหมอผู้ชำนาญ ยาสำหรับบำบัดโรคก็ปรุงแต่งยาชนิดพิเศษขึ้นมารักษาเยียวยาไปแต่ถ้าร่างกายนี้เป็นปกติก็อาศัยยาประจำคือข้าวกับน้ำนี่แหละ <c oughs> บำรุงไว้ร่างกายนี้ก็จึงตั้งอยู่ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงจะบำรงด้วยปัจจัยสีน่นี่ให้วิจิตพิสดารหรือปานิชบรรจงเท่าไรร่างกายอันนี้มันก็อยู่ได้ตามกำหนดเวลาของมันเท่านั้นเองเนี่ยพอ ถ, ถึงเวลามันวิบัติแล้วมันก็วิบัติไปแม่บุคคลนั่นจะมีอาหาร มาบำรุงหอเลี้ยงมันปนิตบรรจงเท่าไรมันก็ไม่มันไม่ยินยอมที่จะรับอาหารนั้นเหมือนอย่างเวลามันยังปกติอยู่ได้มันอย่างเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้นะรับประทานอาหารก็ไม่อร่อยละจืดชืดไปหมดรสชาติของอาหาร <c oughs> นอนก็ไม่ค่อยหลับหมูนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าร่างกายอันนี้นะมันประทังอยู่ได้ก็เพราะอาศัยปัจจัยสี่เนี่ยบำรุงอยู่เท่านั้นเองนะถ้าหาว่าปล่อยให้มันอยู่โดยลำพังแล้วไนกี่วันก็เหี่ยวแห้งแตกกลับทาลายไปเท่านั้นเองนะ ดังนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์นั่นแหละเพราะว่าเกิดมาแล้วต้องได้มาบำลุงโรลปื้อมันอันบุคคลจะทำบาปทำกรรมอะไรก็เพราะห่วงเห็นในขันห้านี่แหละไม่ต้องการอยากให้ขันห้านี่มันวิบัติแปรปวนแตกดับไป โดยเร็วก่อนจึงขนขวายหาอาหารมารอเลี้ยงมันขนขวายหาผ้าหนุ่งผ้าห่มมาเอาของดีๆมาใชา้ราคาแพงๆหาเครื่องประดับประดามาในราคาแพงๆเท่าที่จะหาเงินได้ ทีนี้เมื่อไม่ได้ตามประสงค์อย่างนั้นเพราะเงินทองมันไม่มากอันอย่างว่าเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้คนเราไปทำบาปแล้ววันนี้นะหาอูบายหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาใช้มาสอยเนื้อบางรายก็ลงถึงซ่องสมกันเป็นโจร จี้ปล้นเอาของของเขาที่เขาหามาได้ด้วยความยากลำบากนั่นมาบริโภคใช้สอยบางทีก็ไปทำลายชีวิตของสัตว์มาปรุงเป็นอาหารโมนี่มันก็ร้วนแต่มันมาหวงแหนในขันห้านี้ทั้งนั้นมันเข้าใจผิดไป คิดว่าเมื่อได้อาหารเหล่านี้บำรุงแล้วจะมีอายุยืนยาวนานไปอะไรทำนองนั้นแหละแต่แท้ที่จริงแล้วถึงแมใ้ใครจะทำบาปฆ่าสัตว์ตัวใหญ่หญหญ โ, ตโตอะไรมาบำรุงเลี้ยงมันเท่าไรนั่นมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้เพราะอะไรเล่านั่นนะ คนส่วนมากไม่ค่อยพิจารณาย้อนหลังก็จึงไม่สามารถที่จะละบาปละความชั่วต่างๆได้ถ้าพิจารณาย้อนหลังคืนไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าชีวิตหรือว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้เนะี่ย มันเกิดมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยมันสืบต่อกันมาแต่อดีตน้นมาจนถึงปัจจุบันไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบแล้วทีนี้พระ อ, องค์ได้ทรงตัดสรุปแจ้งในยามที่สองนั้นรู้แจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนทำนั้น <c oughs> ผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมมีความสุขเป็นผลผู้ใดทำกรรมชั่วก็ย่อมมีทุกข์เป็นผลผู้ใดละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วผู้นั้นก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปพระองค์ได้ทรงรู้แจ้งอย่างนี้ ในความเป็นมาแห่งชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายดังนั้นแหละพระองค์จึงได้ทรงแนะนําให้พุทธบริษัททั้งหลายเพียนพยายามละกำรรอันชั่วห้าอย่างนี้เพราะกำชั่วห้าอย่างนี้แหละมันหน่วงเหนี่ยวชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่รู้จักจบจักสิ้นอยู่นี่ เมื่อบุคคลใดมาฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วรู้ได้อย่างนี้ผู้นั้นแหละจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เลยสมทานมั่นในศีลไม่ทำบาปเมื่อไม่ทำบาปแล้วก็ทำแต่บุญกุศละนะวันนี้รู้อยู่ว่าขันหานี้มันไม่เที่ยงแต่มันก็อาศัยบุญเก่าที่ ผู้นั้นทำ ม, มาแต่ชาติก่อนนุ่นมันมาอุปถัมภ์บำรุงไว้ก็ยังไม่ให้แตกดับทำลายไปก่อนอย่างที่เราทุกคนที่มีอัตภาพร่างกายเป็นปกติมาอย่างนี้แหละเราเกิดมาก็ไม่ได้ล้มใดตายแต่ยังเล็กยังน้อยก็จเจริญใบใหญ่โตกันมา คนละยี่สิบสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีขึ้นไปก็ยังอยู่อันนี้ก็เพราะอะไรแล้วก็เพราะอาณิสงส์ที่ได้ให้เข้าน้ำโภชนาอาหารเป็นทานมาแต่ก่อนนั้นหนึ่งอาศัยการรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต นั่นแหละเป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่คิดเบียดเบียนไม่ทรมานสัตว์ให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายอันนี้สงแห่งความดีที่แต่ละคนได้กระทำมานั่นแหละมันติดตามมา นำดวงจิตนี่ปฏิสนธิในท้องของมารดาแล้วก็ไปอาศัยธาตุของมารดาบิดาบังเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาส่วนรูปร่างลักษณะขี่ล้ายหรือสวยงามอันนั้นอาศัยบุญและบาปเป็นเครื่องตกแต่งให้ตกแต่ง ธาตของมารดากบิดานี่แหละให้มีตามีหูมีจ ม, มกูกมีลิ้นมีอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์นี่ถ้าบุญตกแต่งมันก็ให้ครบถ้วนอย่างนี้แหละแต่ถ้าบาปตกแต่งแล้วมันจะไม่ครบถ้วนจะต้องวิบัติอย่างไรอย่างหนึง่ง เส้นแขนด้วนขาด้วนตาบอดหูหนวกมาแต่กำเนิดเป็นต้นคนทุกวันนี้ปรากฏว่ามีบาปหลายเกิดขึ้นมาแล้วมีอาการผิดปกติจากมนุษย์ยเยอะแยะเลยบางทีบางหลายก็เกิดขึ้นมาก็เอาตัวติดกันมาเลยฝ่ายหนึ่งเป็นหญิงฝ่ายหนึ่งเป็นชาย ก็มีบางทีก็เป็นชายทั้งสองบางทีก็เป็นหญิงทั้งสอง <c oughs> เข้าใจว่ามันรักกันหลายชอบกันหลายแล้วก็เลยทําบุญกุศลลนปาถนาขอให้ได้ไปเกิดร่วมท้องเดียวกันอย่างนี้เมื่อปาถนาอย่างนั้น่ะ กรรมนันมันก็แต่งให้เอามาเกิดร่วมท้องเดียวกันก็นให้ร่างกายมันติดกันเบื่เลยอ่ะมันชอบกันหลายอ่ะนี่กรรมนี่มันยุติธรรมไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะใครอยากได้อย่างไรทําบุญกุศลไปบุญกุศลก็ไปแต่งให้อย่างจริงอ่นั่นนี่นั่นเรียวกว่า มันตั้งความตั้งใจไว้ผิดตั้งความคิดความเห็นไว้ผิดไปด้วยอำนาจแห่งตันหาราคะความกำหนัดกินดีมันเกินขอบเขตมันก็เลยเป็นกรรมเป็นเวรตกแต่งให้ได้ร่างกายอันนี้มาไม่สมประกอบ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้แหละ ธาตุสี่ขันห้าของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่นะมันมีกรรมคือการกระทําในอดีต น, นติดสอยห้อยตามมาตกแต่งให้ mm hmm. การเจริญวิปัสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พิจารณาเหตุปัจจัยแห่งขันห้านี่ยให้รู้ให้เห็นก่อนอื่นทั้งหมดเลย ถ้าไม่เห็นแจ้งในเหตุปัจจัยของขันธ์ห้านี่ตามเป็นจริงแล้วมันจะไม่เบื่อไม่น่ายเมื่อไม่เบื่อไม่น่ายมันก็ไม่คลายความกำหนัดยินดีมีความกำหนัดยินดีอยู่อย่างนั้นเมื่อมีความกำหนัดยินดีมันก็ยึดถือเอาไว้ทำให้ไปทำดีบ้างทำชั่วบ้าง แล้วก็กรรมดีกรรมชั่วนั่นก็เอา้าตกแต่งให้เกิดเป็นขันห้าขึ้นมาอีกชาติแล้วก็ชาติเล่าทุกขาชาติปุนับปุนังการเกิดขึ้นมาบ่อยๆมันเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็พิจารณาให้เห็นว่าทําไมมันตึงเป็นทุกข์ อ้าวเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงถ้าเกิดขึ้นมาเป็นธาตุสี่ขันห้า 5, เป็นคนขึ้นมาแล้วเช่นนี้ละมันเที่ยงมันไม่ชำรุดทุตลมอะร่างกายอันนี้อย่างนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์แลอวนั่นแหละทำไมมันจึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง <c oughs> หมายความว่าถ้าจีกันห้านี่มันมีลักษณะอาการอยู่สามอย่างนี้เองเนี่ยคือความไม่เที่ยงนี่ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งความเป็นทุกข์ทนได้ยากทนอยู่นิ่งนิ่งไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอจึงพออยู่ได้ร่างกายอันนี้นะนั่งนานก็ เจ็บปวดเป็นทุกข์นอนนานก็อ่อนเพลียไปเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ใช่ว่านอนนานมันสบายนะไม่สบายรอกยืนนานก็ปวดแข้งปวดขาเป็นทุกข์เดินไปนานก็เป็นทุกข์เมื่อยล้าอ่อนเพลียนี่ อะไรอะไรก็ไม่กิรังยั่งยืนเลยมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละ <c oughs> เหตุนั้นคำว่าทุกขังเนี่ยท่านจึงแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้มันต้องยักย้ายผันแปรไปอยู่อย่างนั้นวันนี้นี่ท่านเรียก ว, ว่าทุกข์กายนะนี่นะมันนี้ทุกข์ใจวันนี้ ใจนั้นเมื่อไม่รู้เท่าขันห้านี่ทำเป็นจริงมันก็หลงรักหลงไถ่หลงพอใจกับขันหานี่เมื่อขันหานี่มันวิบัติแปรปลวนไปเช่นโรคภัยเบียดเบียนเอางี้นะมันก็กระทบกระทั่งกับจิตดวงนี้จิตดวงนี้ก็กระวนกระวายดิ้นรนกระสับกระใส ราวนี้จิตเป็นทุกข์แล้วได้ป่ะนี้นะนั่นเนี่ยจิตเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วเนี่ยความทุกข์เมื่อว่ากันโดยตรงแล้วก็เรียกว่าทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ใจนี่เพราะกิเลสมันเผาเอาทุกข์กายเพราะความไม่เที่ยงหรือความแก่ความจำรุดสุดลมเนี่ยมันเผาเอา มันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยธาตุสี่ขันธ์ห้าของคนเราเนี่ยเมื่อมาเพ่งพิจารณาแยกแยะออกไปส่วนละเอียดของขันธ์ห้านี่ยิ่งเห็นว่าไม่น่ายินดีพอใจเพราะว่าร่างกายทุกส่วนนี่ประกอบขึ้นด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลม ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผิดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้เป็นธาตุดินเป็นธาตุดินแล้วน้ำดีน้ำหนองน้ำสะเล น้ำเงือมันค้นน้ำตาเปรเวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูดเหล่านี้เป็นธาตุน้ํ <c oughs> าธาตุไฟนั้นมีอยู่สี่คือไฟยังกายให้อบอุ่นหนึ่งไฟ ยังกายให้กระวนกระวายหนึ่งไฟยังกายให้สุดโทมหนึ่งไฟเผาอาหารให้ย่อยหนึ่งนี่ธาตุไฟมีอยู่สี่อย่างอย่างเนี้ยธ <c oughs> าตุลมนั่นมีอยู่หกลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่าลมในท้องลมในไส้ ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ธาตุลมมีอยู่หกอย่างนี้เนี่ยธาตุแต่ละธาตุนั้ น, นเมื่อเพ่งดูแล้วก็มันก็อยู่ในลักษณะสามมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปลปรนไป เลื่อยไปแปลาจากเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแปลาจากหนุ่มจากสาวมาเป็นวัยกลางคนแปลาจากวัยกลางคนมาเป็นคนแก่ชราร่างกายสุดโทมผมหงอกฟันหลุดตามัวหูอื้อหนังเหี่ยวยานตกกระ มูนี่แหละตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นเส้นเอ็นเส้นเอ็นนี่ก็ไม่ค่อยปรากฏเท่าไรอ่ะทันเมื่ออายุมากเข้ามาแล้วนะเส้นเอ็นนี่ก็ปรากฏทั่วร่างกายอันนี้อมันเป็นอย่างนั้นมูนี่แหละการเจริญวิปัสสนานะท่านให้กําหนดแยกแยะพิจารณา ร่างกายนี่ออกให้รู้ลักษณะอาการของธาตุทั้งสี่เนี่ยเอาธาตุดินมีลักษณะแข่นแข็งอย่างนี้ผมขนแลปฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกวะเนี่ยมันเป็นของแข็งส่วนน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองเป็นต้นเหล่านี้เป็นของเหลวลักษณะของธาตุน้ำนะวนนี้ลักษณะของธาตุไฟนั่น มันก็มีอยู่สี่ลักษณะอย่างว่านั่นเลยไฟกองหนึ่งนั่นสําหรับทําให้ร่างกายนี่ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นเกินไปให้อบอุ่นพอดีพอดีอ่เอาไฟอีกกองหนึ่งนั่นพอทาให้ร่างกายนี่กระวนกระวายออย่างเช่นว่า ทำงานหนักมากอย่างนี้นะเกิดไฟกองนี้เนี่ยมันลุกมันกําเริบขึ้นก็ร้อนหรือว่าตากแดดไปดานานๆก็ร้อนขึ้นนี่แหละไฟกองนี่มันทําให้ร่างกายกระวนกระวายหรือว่าเป็นไข้ขึ้นมาเงี้ยถ้าไฟกองนี้มันวิบัติแนละ้วมันก็ร้อนเกินขอบเขตอ่ะนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ยนั่นเนี่ย ที่ท่านเรียกว่าไข้มาเลาเรียนะความร้อนมันขึ้นสูงมากไอ้ไฟกองหนึ่งก็คอยเผาร่างกายนี้ให้สุดสมไปโดยลำดับนี่ความแก่ความชราของร่างกายอันนี้อาศัยไฟกองนี่แหละมันเผาเอามันเผาไปทีละน้อยละน้อยไป แบบนี้ก็มีไฟอีกกองหนึ่งมาเผาอาหารให้ย่อยทีนี้ถ้าถ้าไฟกองนี้นะมันอ่อนลงมันเผาย่อยอาหารไม่ละเอียดก็เกิดท้องขึ้นท้องเฟอ้อมาอะไรปวดท้องขึ้นมาแล้วอาหารเป็นพิษ<อ>เพราะถ้าไฟนี่มันอ่อนมันมันย่อยอาหารละเอียดไปไม่ได้ ว่า น, นี่ธาตุลมก็เหมือนกันนะลมขึ้นเบื้องบนถ้ามันวิบัติแล้วอย่างนี้มันแรงเกินขอบเขตมันก็ทำให้หน้ามืดตาลายไปวิงเวียนนะที่เราเรียกว่าเป็นลมกัน น, นั่นแหละลมพัดลงเบื้องต่ำนี่ถ้ามันพัดแรงมากเนี่ยทำให้ท้องร่วงอนะ่มันเป็นง้ง <c oughs> ลมในท้องลมในไส้โมนี่เมื่อมันวิบัติมาแล้วมันก็ทำให้ท้องอืดท้องเฟอ้อคัดท้องอะไรไปไม่ปกติอยู่ได้ลมในไส้ก็เหมือนกัน <c oughs> ลมหายใจเข้าหายใจออกโมนี่ถ้าหากว่า มันติดขัดแล้วนะลมหายใจนี่มันจะไม่สะดวกเลยหายใจฝืดั้างหายใจโล่งเกินไปหมู่นี้ขนหายใจฝืดเข้าฝืดเข้าแล้วก็ในความรู้สึกของจิตกบว่าเราตายแล้วแบบนี้นะนี่หายใจโล่งเกินไปหายใจไม่อิ่มก็ก็ใกล้ต่อตายเหมือนกัน ดังนั้นจึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันเนื่องอยู่ด้วยความตายเอามันเนื่องอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกนี่ลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายนี่หายใจหยุดลงไปเมื่อใดเป็นนั้นว่าตายเมื่อนั้น ชีวิตนี่จึงวันเนื่องอยู่โดยลมหายใจเข้าออกโดยแท้จริงผู้จเจริญวิปัสนามาเพ่งพิจารณาดูธาตุทั้งสี่อันนี้แล้วมันจะได้มองเห็นว่าชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวเลยเบียรนีอมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เองแต่ เราก็รู้ไม่ได้เลยว่าลมหายใจนี่น่ะมันจะหยุดลงเวลาไหนไม่มีใครมาบอกล่วงหน้าได้ผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วนี่มันก็เป็นอุบายระงับตัณหาคามทะเยอทะายานอยากมีประการต่างๆนั้นให้เบาลงไปเรื่อยๆ ก็ไม่ทราว่าจะไปอยากได้อะไรนักหนาในเมื่อชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวหนึ่งไม่นานอะไรเดียวก็จากโลกนี้ไปแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละไอการเจริญวิพัฒนานะ่ะมันเป็นทางหลุดทางพน้นทางเป็นอุบายละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนนะ ไอ้นี่เรียกว่าเราพูดกันแต่เรื่องรู ป, ปรธรรมนะนี่นะบันนี้ก็ยังนา ม, มาธรรมเข้าไปอีกนามธรรมนี่ยังละเอียดกว่ารูปธรรมบันนี้เพราะไม่มีรูปร่างเนี่ยจิตใจมันก็มาหลงนา ม, มาธรรมนี่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละ <c oughs> นา ม, มาธรรมนะั้นมีอยู่4ี่ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่มีชื่อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เวทนาแปลว่าจิตสเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหรือเพิ่มเข้าอีกสองจิตสเสวยอารมณ์อันทีนา่ายินดียิ่ง ท่านเรียกว่าโสมนัสเวทนาจิตสวยอารมณ์อันไม่ชอบใจอย่างมากท่านเรียกว่าโทมนัสเวทนาเมื่อไม่ชอบใจกับบุคคลใดหรือว่าของสิ่งใดอย่างนี้นะเมื่อไม่ชอบเอาซะอย่างแรงจนเกิด ขับแค้นใจขึ้นมาเนี่ยท่านเรียกว่าโทมนัต <c oughs> เมื่อชอบใจสิ่งใดม า, มากมากบางคนชอบใจอะไรมากๆอะไจนน้าตาไหลนโน่ะออันปึ้มใจมาก <c oughs> อันนี้ท่านเรียกว่าโสมนัสเวทนาเวทนามีมีลักษณะห้าประการอย่างนี้ แต่ต้องเพ่งพิจารณาดูด้วยปัญญาให้มันรู้มันเห็นเพราะเวทนาทั้งห้านี่มันก็เกิดขึ้นในกายกับจิตนี้เองไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นเลยกายกับจิตนี่แหละกระทบกันเมื่อรวมให้สั้นแล้วนะกายกับจิตนี้กระทบกันมันจึงได้เกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมา มันิสัญญาความจำหมายก็จำสุขจำทุกข์จำไม่ทุกข์ไม่สุขนี่แหละหรือว่าจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆจำสารพัดแหละพูดง่ายๆสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงอะไรก็เรื่องของสัญญาทั้งนั้นเละสังขาร